มีพระอาจารย์ไปบูรณนะครับมีรูปท่านมีมีสื่อของท่านตรงนี้แล้วก็คลิกไปก็สามารถเปิดฟังได้ในทุทกวันทุกเวลาครับนะคะแหมดิฉันก็ได้ยินว่าคุณหมอจดัดรายการมานานแล้ววันนี้ต้องบอกโชคดีจริงๆเลยที่ได้มีโอกาสที่จะสอบถามด้วยตนเองขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะครับก็ขอบคุณพี่สันต์ศรีด้วยเช่นกันครับค่ะมาถึงเรื่องคําถามนะคะท่านไพบูรณ์คะค่ะ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 นี่คือสุดยอดเลยนะที่ว่าชําแรกกิเลสแล้วก็เหตแค่เห็นการเกิดดับทีนี้ยังมีปัญญาอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นปัญญาที่เรียกว่าเป็นเครื่องทําให้มีปัญญาเกิดขึ้นพรนะพุทธเจ้าจะอธิบายขั้นตอนในการทําอย่างไรให้มีปัญญาเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ก็มีอยู่4ขั้นตอนนะอันดับแรกเนี่ยก็คือต้องคบกับคนดีก่อนนะคบหาศัพท์บรุษนะแล้วจากนั้นเนี่ยไปทําอะไรคบแล้วทำไมก็ไปฟังก็เชื่ว่าเขาพูจะพูดอะไรฟังทำทําฟังสิ่งที่เขาพูดอันดับที่3เนี่ย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 กับคนดีก็เหมือนกับว่าเป็นการไปเจอผู้ที่จะนําพาเราไปสู่ปัญญาพูดอย่างนี้ได้ไหมคะใช่พบหาสัพบบุรุษเนี่ยสับบุรุษในที่นี้สมมุตินะคะท่านคะเกิดบังเอิญไปอยู่ในที่ที่แหมมองไปไหนมันไม่มีสัพบุรุษเลยอ่ะมันมีแต่อะไรนะคะโมฆะบุรุษอย่างเงี้ยอ่าฮะเราทำยังไงอ่ะคะท่านการพบกับสับบุรุษตรงเนี้ยอ่าไม่ได้แบบวามว่าเราต้องต้องไปพูดคุยหรือพบเป็นตัวตัวอะไรนะ S <S <S เราอาจจะเอาประวัติของเขามาอ่านเอามาศึกษายอย่าง <S <S พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราไม่มีทางที่จะพบพระเจ้าเป็นตัวบุคคลได้แล้วนะ <C> แต่เราจะทํำยังไงล่ะเราจะเอาอยัางไงดิว่าเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นมาเป็นกัลยาณมิตรของเราได้มาเป็นสบับปะหลุกของเราได้เราก็เอาสิ่งที่ท่านสอนไวน้ไงเพระเาะงั้นการอ่านคําสอนก็ได้ <S <S 2> <S 2> ใช่เพระเาะงั้นถ้าเรายกตัวอย่างในกรณีอื่นๆเช่นเราต้องการศึกษ า, าเรื่องหลักทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆซึ่งคนคิดคนเขาตายไปแล้วอย่างเงี้ยนะเราก็เอาเรื่องที่เขาเขียนมาอ่าน หรือบุคคลสาคัญเราต้องการศึกษาจากท่านผู้นี้เราก็เอาประวัติของเขามาศึกษากระดาหรือว่าหนังสือที่เขาแต่งอย่างเงี้ยค่ะแต่เ<ม>นื่องจากรายการเราเป็นรายการที่เน้นเรื่องของพุทธเจนะท่านก็จึงสามารถที่จะใช้คําสอนของพระพุทธองค์นั้นแทนแทนค่าของการที่บอกว่าการครบหากับสัพ บ, บุรุษในโอกาสที่ท่านสภาพแวดล้อมไม่มีสัพพุรุษที่ท่านจะไปพบได้เลยได้ใช่แต่ต้องเป็นคําสอนที่ถูกต้องด้วยไหมคะเน้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 ทําใจ<ม>โดยแยบทายโยนิโสมนาสิกาไม่ได้ยินบ่อยจริงๆนะคะโยนิโสมนาสิการแล้วสุดท้ายก็คืออย่าลืมนํำเอาไปปฏิบัติด้วยอืสำคัญมากปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมวันนี้ดูเหมือนกับว่าแค่ฟังจบดท่านรู้สึกเกิดปัญญาเลยกระ ท, าทึกเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณต้องเอามือทําแต่ว่าการปฏิบัติในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเนี่ยคือใช้จิตใช้จิตทำํำเพราะฉะนั้นถ้าเราโยนิโสมนาสิการแล้วเราตั้งจิตไว้ถูก